แล้วมันจะเข้ากับปิมุตคำอับนิพพานแค้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตกามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดียก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมด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 จึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของมรุสติจ่าที่พร้อมโดยเหตุโดยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทัว่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผู้กับพญมกัรับสั่งะพะมงทักลืมๆกันมันนานแล้วจนลืมว่า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 รูปธปาตุรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุยู่แลยวเน่ยพนาสัญญาสังขารนิยามแต่ละอย่างก็เป็นเทรนาฏธรรมะกฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณนะขณะจะถือวสาระแก่งสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าเนี่ยปัญญาอย่างทราบความปเดินกลับคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆ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 ไม่ทรงสังสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมาอย่างเป็นที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะไปนิพพานทรงแสดงพระอาวาทเรียวกว่าปัดฉีมอาวาท ห้นดันดานทีวคืออมันตยานอยูยะธรรมมาสร้างคาราบมาเดีนะสัมปาเดธะหรือก่อนรู้สึูทั้งหลายพุดธโยย่เธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วส่วนไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอ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 หรืออยู่ในธาตุในขันในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การน้นสมัยน้นที่นู่กับคนโน้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิพจนรณานอยู่เวลานี้เพราะเหตุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต์อ่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับ